เออลูกรักของพ่อ แต่คนที่ยากจนๆ คณบดีเป็นผู้ไปช่วยงานในเรื่องนี้เป็นผู้ไป และสําหรับๆแต่ว่าใน พระองค์ทรงตัดว่าบดีจะ 2520 พ่อและคณะของลูกบาง จัดอาหารมาเลี้ยงพวกเราทั้งอนะท่านลูกทาง ความดีไม่หนีเราไปไหนดีไม่หนี หล่อจอมลูกจงปิดใจโหลูกจอมเป็ดตา พ่อไม่ได้พูดกับคน ให้อย่าเจนนินทากันแกร่งๆก็ เป็นนั้นว่าวันนั้นเรื่องของผู้หญิง เมื่อกราบออกมาแล้ว 30 า, ะ, 28 า, 30 กับท่านพลนกาดโทหม่อมราชวงศ์เสริมสุขสวัสดิ์เจ้า เพราะว่าในที่นั้น แต่พ่อทําไปนั้นก็เพราะ เห็นลูกเห็นหน้าๆ ตามคําสอนที่ต่อมาก็คุยกันวันนั้นเมื่อถึงวันที่หนึ่งมีนาคม 2521 ท่านรองราชเลขาภาวาทได้ไปแจ้ง พอเข้าไปที่ทักษิณ เห็นพระพรรคของพระองค์แสดง วันนั้นก็เลยต้องคุยกันแบบ แต่ว่าจิตมันต้อง สงฆ์ฝันเนี่ยพระเสด็จประทับอยู่ องค์เมื่อกลับมาก็ต้องเขียนแผนผังให้เขาทรงชี้ไปที่ ที่พระอาจารย์วันเคยถวายไว้พระอาจารย์ สำหรับท่านอาจารย์เถดก็ทรงก็ได้ๆ แต่ที่มีความต่างๆ ตามมาก็ส่งปรารภถึง อย่างนี้เป็นเรื่องดี และส่งมีพระราชปรารภ พ่อถือใจความเป็น ว่าความดีของลูกที่ทําไป นายนออาจจะเป็นที่ มา 2515 สม 2513 ที่เจริญกรรมฐานขึ้นไปบน พ่ออยากจะกราบทูลว่า พระองค์ก็มาเล่าสู่กันฟังก็มาเล่าสู่กันฟังท่าน เขาเขาเขียนหนังสือว่าผม เพราะงั้นก็สมเด็จว่าเรื่องนี้ๆถือไปเรื่อง เย็นนี้ขอลูกรักทุก เนี่ยมาพูดกันถึงเรื่องนี้ เป็นคนๆแต่ไม่มารับของไม่มารับของแบบ เขาคิดว่ามหาเวราหรือว่าหลวง เปรียบอันว่าแม้แต่พระ โดนแล้วก็จงวางเฉยนี่พ่อ การรบเรื่องน้ําข้อปรารภ ก็คงจะทําสวยและๆอาณาจักร เป็นบริเวณแคบๆบริเวณแคบๆแต่ เดี๋ยวๆปีในที่สุดคือพอ ถ้าเพียง 2-3 ท่านที่มีความมีส่วนเกี่ยวข้อง หลายเป็นความเข้าใจผิดของอะไร เพราะว่าท่านได้เป็นกรรมการๆ ไอ้เหล่าหม้ายส่วนคน ก็เท่าพ่อคิดว่าคนโบราณแหละลูกรักถ้าใช้ๆ ว่าถ้าเราจะใช้แรงงานช่วยกันตามนั้นมันก็มีผลยังไง